ได้รับเมตตาจากพระอริยสงฆ์ตอนหลังผมมาปฏิบัติหลวงปู่ปัญญาเพราะเห็นว่าไม่มีคนดูแลเรื่องน้ำล้างเท้าให้น้ำอุ่นไม่มีท่านก็ตักอาตรงนั้นผมก็เริ่มจากเช็ดถูในตอนเช้าเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำทุกวันเพราะมันก็ทางขึ้นทางออกศาลาเดียวกันและผมก็จะเตรียมผ้าเช็ดเท้าตรงศาลาไว้ แล้วก็เตรียมน้ําอุ่นถวายหลวงปู่ปัญญาท่านเมตตาผมมากผมกราบท่านทีไรท่านก็จัตบหัวซึ่งหัวผมก็แฉเพราะเหงื่อออกเปียกทั้งวันผมเช็ดถูตรงทางที่ทั้งหลวงตาและหลวงปู่ปัญญาเดินเข้ามาในศาลาผมเช็ดจนไม่ให้มีเม็ดหินเม็ดทรายหลงอยู่เลยแม้ตามซอกตามร่องต่างๆนี่ผมแซะไม่ให้มีขี้ใครไม่ให้มีอะไรหลงติดอยู่ทั้งนั้น อิกกับหินที่ปูทางเดินเข้าของหลวงตานั่นผมก็เป็นคนทําเองช่วงที่ผมทําความสะอาดสลาอยู่ทุกเช้านั้นรู้สึกมีอยู่สองสมครั้งที่หลวงตาท่านมายืนข้างหลังผมเงียบๆท่านมาเมตตาผมหรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็นั่งเช็ดไปถูไปพอหันไปอุ้ยหลวงตาท่านก็สะบัดหน้าเดินจากไปเลยท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือท่านมาแผ่เมตตาให้ผมก็ไม่เข้าใจ เป็นเรื่องเหนือกว่าที่เราจะคาดคิดแต่ท่านมายืนข้างหลังโดยที่ผมไม่ได้ยินเสียงท่านเหยียบกรวดเหยียบหินเลยมันเป็นไปได้อย่างไรมีอยู่ครั้งหนึ่งน้ำในหม้อน้ำรดผมเดือดพอผมเปิดฝาน้ำก็พุ่งออกมาโดนแขนผมจนเป็นแลผลพุพองเปื่อยเน่าแต่ผมก็ยังไปทำงานเช็ดถูสาาอยู่เหมือนเดิมยังไปทำงานทุกวันซักผ้าก็ระวังหน่อยพอใครเห็นเขาก็เตือนว่าเดี๋ยวแขนจะเป็นแผลเป็นนะ ผมก็เฉยบางคนหวังดีเอายามาให้ผมก็เอามาทาเอาน้ำหมากหลงตามาให้ผมก็ทาทาไปทามาแผลหายก็ไม่เห็นเป็นแผลเป็นตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์น้อย ในปีพศ2541หลวงตาท่านทำโครงการช่วยชาติขึ้นมาในตอนนั้นจิตใจผมมีศรัทธาแล้วแต่อาจยังไม่มีความลึกซึ้งนักพอดีก่อนหน้านั้นลูกชายผมจะเข้าโรงเรียนแต่ก็ยังเข้าที่ไหนไม่ได้จนโรงเรียนจะเปิดแล้วผมจึงตัดสินใจมากราบท่านอาจารย์น้อยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนิทกับท่านเลยท่านอาจารย์น้อยถึงกับส่งเสียงดังเฮยฮูอะไรกันเนี่ยขนาดลูกจะเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญในชีวิตของเด็กนะ ทำไมไม่มาบอกอาตมาผมก็เรียนท่านว่าท่านอาจารย์ครับก็ผมไม่ได้สนิทกับท่านอาจารย์ไม่อยากรบกวนผมไปวิ่งเต้นเองแล้วแต่มันไม่ได้ท่านเลยว่าอีกเฮียฮู้มีอะไรทําไมไม่มาพูดมาบอกไปไปดูมาบ้านผอ อ, ออยู่ที่ไหนถ้าเจอเมื่อไรก็ให้มาบอกทันทีและอาตมาจะไปหาเองใน24ชั่วโมงผมก็ไปถามหาเอผอิญผอก็เพิ่งมาใหม่ ท่านอาจารย์น้อยก็ไปพูดให้ในตอนเช้าวันต่อมาพ่ออาก็มาหาท่านอาจารย์น้อยที่วัดเพื่อบอกให้เด็กแต่งชุดนักเรียนเข้าไปเรียนได้เลยในตอนนั้นเฮีร้านเสริมสินที่เป็นเพื่อนกันเขาก็ดีนะเขาให้ทองผมมาหนึ่งบาทบอกว่าท่านอาจารย์น้อยอุตส่าห์ช่วยพี่อย่างเนี้ยผมให้ทองพี่หนึ่งบาทเอาไปถวายท่านอาจารย์น้อยเสียตอนนั้นยังไม่เกิดโครงการช่วยชาติผมก็นําทองนี้ไปถวายท่านถึงกระนั้น ผมก็ยังรู้สึกต้องการตอบบุญแทนคุณท่านอาจารย์น้อยอีกพอเปิดโครงการช่วยชาติแล้วท่านอาจารย์น้อยบอกให้ผมเอารถไปช่วยประชาสัมพันธ์เวลาออกไปก็ใส่น้ำมันวัดนี่แหละเพราะเราไม่มีสตางค์พอได้ออกไปก็กลายเป็นว่าผมไปทำงานประชาสัมพันธ์ไกลออกไปเรื่อยๆอ้อมออกไปเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการช่วยงานโครงการช่วยชาติ ตนพัะ ป, ป่าต้นแรกของโครงการช่วยชาติเมื่อหลวงตาเริ่มทำโครงการช่วยชาติใหม่ๆนั้นยังเป็นการรับบริจาคธรรมดายังไม่มีการทำต้นพัะ ป, ป่าอะไรและอยู่ดีๆความคิดมันผุดขึ้นมาผมก็เลยไปพูดกับเสียทู่เพื่อนผมว่าพวกเราช่วยทำโครงการช่วยชาติถวายหลวงตาเนี่ยเราทาต้นพระ ป, ป่าไปถวายหลวงตาสักต้นไหมเสียทู่ ความคิดเรื่องทำต้นพระป่าจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะผมชวนเพื่อนทำต้นพระป่าไปถวายหลวงตาเขาก็ว่าพี่อยากจะโดนค้อนเหรอผมก็ว่าค้อนอะไรหลวงตาท่านเมตตาท่านเปิดแล้วพระป่าเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าเอาด้วยผมจึงเสนอถ้าอย่างนั้นไปหาท่านอาจารย์น้อยมาถ้าได้พี่ต้องให้ผมหนึ่งพันดอลลาร์นะเขาถามผมกลับ และพี่มีเท่าไหร่ผมมีสิบดอลลาร์ผมมีแค่เนี้ยผมจะทําบุญกับหลวงตาแต่พี่ต้องให้ผมหนึ่พันดอลลาร์นะถ้าท่านอาจารย์น้อยตกลงไม่มีปัญหาผมก็จะทําต้นผ้าป่าก็พากันเข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์น้อยท่านครับผมมีความคิดที่จะทําต้นผ้าป่าดอลลาร์มาถวายหลวงตาท่านอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรท่านรีบบอกเลยเนี่ยแหละเอโฮมีปัญญาทําไมไม่ทําเอาเลย เอา้ได้หมื่นดอลลาร์นะผมก็กราบลาออกมาและบอกเจ้จิม๋มแกให้มาหน0 0งดอลลาร์พี่อีทก็ให้มาหนึ่ันดอลลาร์เฮยทู่หนึ่พัด 1, ดน 1, ดอลลาร์ตามที่ตกลงกันรวมก็ได้สามพันดอลลาร์แล้วทีนี้ก็มาในศาลาบอกกล่าวกับคนนั้นคนนี้ได้มาอีกรวมเป็นเจ00ันดอลลาร์เฮียสมหมายจากร้อยเอ็ดบอกว่าผมให้เฮียฮู้หนึ่งพันก็รวมเป็น800พันดอลลาร์แล้วก็มีคนมาสมทบอีกเป็น 9,00 าดอลลาร์ หมดแล้วตอนนั้นไม่มีใครต่อแล้วร้านเสริมสินจึงบอกว่าฉันให้เพิ่มอีกหน0 0งพดอลลาร์ในที่สุดก็ได้เป็นหนึ่งนดอลลาร์ทำต้นพระป่าไปถวายหลวงตาไม่ธรรมดานะนั่นคือครั้งแรกที่ทำต้นพระป่าช่วยชาติเกิดจากตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทำมีแต่เอามาบริจาค ก, กันาเฉยเฉยต้นแรกครั้งแรกเลยหนึ่งดอลลาร์ในปี2540นั่นเอง จากนั้นคนก็เริ่มทำต้นพับ ป, ป่ามาถวายหลวงตาเป็นระยะเรื่อยมาถ้าถามผมว่าความคิดเรื่องทำต้นพับ ป, ป่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมเองก็ไม่รู้มันผุดขึ้นมาเองอัศจรรย์อยู่นะ